พ่อว่าพวกเราในมานอนวัดทั้งทีพมมาในเขตของพุทธศาสนาหลวงพ่อว่าน่าจะไหวพระสมาทานศิลเป็นเบื้องต้นซะก่อนนะนกล่าวหันทางระทางพระประธานอารหังสัมมาสัมพุทโธ ก่อนที่หลวงพ่อจะให้สินหลวงพ่อจะขอทำความเข้าใจกับคณะพวกเราทุกท่านก่อนคือบางท่านคงจะไม่เคยได้ยินกวัตริ์มีคุณค่าอย่างไรเมื่อไปถวาย หรือว่าไปถวายพระทหารพระสงฆ์หรือไปในงานพิธีต่างๆพระสงฆ์ท่านเมื่อญาติโยมก่าวปรารถนาไหว้พระจบและอาราธนาสินพระสงฆ์ท่านก็ให้สินไปเลยโดยมากจะไม่มีเวลาที่จะอธิบายเรื่องสินให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังบางท่านบางครั้งท่านเขาคงจะคิดว่า คณะศรัทธาญาติโยมที่มารับสินนั้นคงจะรู้เรื่องของสินได้ดีแล้วท่านจึงไม่ได้อธิบายแต่ในความคิดของหลวงพ่อเองหลวงพ่อคิดว่าคนพวกเราทุกท่านถึงจะเป็นชาวพุทธก็จริงว่าสินห้ามมีคุณค่าอย่างไรมีข้อห้ามอย่างไรแต่ในรายละเอียดนั้นพวกเราก็คงจะยัง ไม่เข้าใจในรายละเอียดเพราะว่าเราศึกษาเราเรียนแต่วิชาอย่างอื่นแต่วิชาทางพุทธศาสนานี้พวกเราก็คงจะไม่ได้ศึกษามากเท่าที่ควรเพราะนั้นรวงพ่อว่าที่จะเข้าใจให้ท่องแท้เรื่องศีลเรื่องข้อปฏิบัตินั้น หลวงพ่อคิดว่ากขคงจะขาดตกบกพร่องอยู่หรือว่าท่านผู้ใดรู้อย่างท่องแท้แล้วก็ให้ฟังเอาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาที่พวกเราได้มาพักในวัดของหลวงพ่อเออหลวงพ่ออยู่ในป่าแอบในวัดป่าครั้งหนึ่งที่เราเข้าไปพักที่วัดของท่านท่านในอธิบายเรื่องศีลให้แก่พวกเราได้ฟังแต่พวกเราก็ เข้าใจบางประเด็นสรุปแล้วก็คือว่าสิ่งใดที่ไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้อันนี้ก็คือเมื่อได้ฟังเพราะนั้นหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องของสินให้เป็นที่เข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนที่เราจะรับอะไร เข้าไปหรือว่ายอมรับอะไรเราต้องรู้เรื่องอันนั้นเสียก่อนไม่ใช่ว่าท่านให้อะไรไปเลยก็รับหมดรับเราไม่รู้ว่าความหมายว่ายังไงอันนี้หลวงพ่อไม่อยากไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเมื่อรับแล้วเมื่อเรารับก็มีคุณค่าในการรับศีลอันดับแรกหลวงพ่อจะนําว่านามโมสามจบนโมตสัสสนะในเมื่อกล่าวนามโมสามครั้ง ความหมายก็คือข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคล้ายๆว่าเรานอบน้อมพระพุทธเจ้าบรมวครตูต้นศาสนาต้นศาสนาที่บัญญัติหลักพระธรรมวินัยที่ให้พวกเราประพฤติธปฏิบัติคือหลักศินห้าเนี่ยคือเป็นมาจากพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นก่อนที่เราจะรับศีลของพระพุทธเจา้าเรานอบน้อมต้นศาสดาต้นศาสนาต้นความคิดทันเจะก่อนว่า น, นอบน้อมนโมตัสสะถึงสามครั้งจากนั้นพุทธังทามังสังคังสรนาคฉามิพุทธังก็คือพระพุทธเจ้าทำมังคือคาสั่งสอนของพระพุทธเจา้าสงังคังก็คือพระสงฆ์สาวก ที่นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้พวกเราได้รู้จักพระธรรมคำสั่งสอนนั่นคืออะไรแต่ถ้าพระสงค์ไม่นำพระธรรมมาเผยแผ่ให้พวกเราพวกเราก็ไม่เข้าใจไม่รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็คงจะหมดนานเท่านานไปแล้วที่มาถึงพวกเราได้ก็เพราะพระสงค์เพราะนั้นพระสงค์เป็นผู้มีพระคุณสำหรับพวกเรา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 ปานาติปาตาวีรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่พวกเรามาคิดดูยุคนี้สมัยนี้ศินของพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งเนี่ยเหมือนเหมือนกับไม่มีคุณค่าหรือว่าไร้คุณค่ากับคนทั้งหลายเป็นสวนมากพระพุทธเจ้ารู้อยู่หรือไม่รู้ที่บัญญัติสินข้อนี้ขึ้นมาทั้งที่ คนก็มาได้ปฏิบัติทําไมพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อนี้พระสงฆ์มาก็ขยันเหลือกเกินออพอมาแล้วก็ให้พวกคณะสัตว์ไทยแยโยมรับศินแต่พอรับไปแล้วก็พอเป็นพิธีพอรับไปเสร็จไปแล้วก็ผ่านผ่านไปก็ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นฝ่ายพระสงฆ์ก็ไม่ได้ชี้แจงอะไรให้ชัดเจนทีนี้ สรุปแรกก็คือศินที่พวกเรารับแต่ละครั้งเหมือนลักษณะเป็นลักษณะพิธีแต่ตามไม่จริงสินของพระพุทธเจ้าถ้ามาเอาวิขเอามาวิเคราะห์ดูแล้วศินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีคุณค่าอย่างมากสําหรับชุมชนสังคมประเทศชาติต่อโลกคือศินข้อที่หนึ่งอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่นี่มีพ่อมีแม่มีวงศาคนาญาติมีสามีพรนยา มีพี่น้องถ้าว่ามีผู้ใดใครผู้หนึ่งมาฆ่าเราฆ่าวงศ์สกุลของเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเราฆ่าพี่น้องของเราเราเสียใจยไหมไม่ต้องพูดเ อ, อ่เราต้องรู้สึกยอมรับในแจว่ว่ะแล้วเราไปฆ่าคนอื่นเขาล่ะเขาเสียใจยไหมอันนี้ก็ไม่ต้องพูดเ อ, อพอเราเสียใจ ย, ยังไงคนอื่นเขาก็ต้องเสียใจยอย่างนั้น พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าฆ่ากันนะพวกท่านทั้งหลายอย่าฆ่ากันอย่าเบียดเบียนกันให้เคารพซึ่งกันและกันดีไหมอันนี้ก็เป็นคําตอบในใจของพวกเราเช่นเดียวกันว่าดีถ้าไม่ฆ่ากันนี่แหละสินของพระพุทธเจ้าข้อที่หนึ่งมีคุณค่าไหมให้พวกเราคิดดูกันแล้วกันการไม่เบียดเบียนกันการไม่รังแกกันการไม่ประทุษสไลด์กัน เป็นผลดีต่อมวลมนุษยชาติอย่างมากถ้าหาว่าไปที่ไหนมีแต่พกปืนผาหน้าไม้อาวุธจุดโทปปรณ์พร้อมไม่ไว้ใจใครอย่างนั้นมีความสุขไหมพวกเราคงตอบในใจว่าไม่ใช่ไม่มีความสุขถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้คือสินพระพูทได้เจ้าบัญญัติข้อที่หนึ่งที่บัญญัติมาแล้วเมื่อสองพกว่าปีเอามาใช้ในยุคปัจจุบันนี้ก็ยังทันสมัย อันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินนาธาน า, ว า, าวเวรมณีงดงดเวทในการขโมยของคนอื่นของเราเราก็รักของคนอื่นเขาก็รักเช่นเดียวกันถ้าเราไปขโมยของเขาหรือเขามาขโมยของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ก็ให้มีคําตอบในใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าอย่าขโมยของกันนะต่างคนต่างเคารพสิทธิ์ของกันดีไหม พวกเราคงจะยอมรับอยอมรับว่าพระพุทธเจ้าพูดถูกแต่เราจะปฏิบัติได้มากน้อยอยังไงแค่ไหนอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเราถ้าเราปฏิบัติไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีแล้วให้รู้จัวัาตัวของเราไม่ดีแล้วถ้าใครทำอย่างนั้นกับคนนั้นไม่ดีแล้วเพราะเป็นผู้ขาดศีลข้อที่สมกาเมสุมิช า, าราเวรามณีสามีพัญญาลูกเต้าเล้าหลาน ของใครเขาก็รักสงวนห่วงแหนถ้าเราไปล่วงล้ําเขาเขามาล่วงล้ําเร า, เ, าเราเสียใจไหมไม่ต้องพูดเขาก็เสียใจเหมือนกันเราก็ต้องเสียใจพราะนั้นอย่าไปล่วงล้ํากันให้ครบสิทธิ์ซึ่งกันละกันดีไหมอันนี้ก็ได้คําตอบในใจเหมือนกันพระพุทธเจ้าบัญญัติศินข้อที่สามถูกต้องไหมอันนี้ก็คงถูกต้องถ้าหากว่า ถ้าใครไปล่วงล้ำกันสามารถที่จะฆ่ากันได้เพราะนั้นถ้าเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันโลกทั้งโลกก็จ ะ, จะสงบพร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือศินข้อที่สข้อที่สมุสาวาเาวะมณีพระพุทธเจ้าห้ามมาให้โกหกอย่ากโกหกอย่าพูดปดอย่าพูดตอแหลให้พูดตามความเป็นจริงแต่ถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามถ้ามันจะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตราย ต่อเพื่อนต่อฝูงต่อตัวของเราเองต่อวงราชการถ้าพูดออกไปตามความเป็นจริงจะเสียหายถ้าพูดตามความเป็นจริงในเรื่องนั้นและก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้เสียหายวงราชการแต่ถ้าว่าพูดออกไปเสียหายอันนี้เราสงวนลิขสิทธิ์หรือว่าสงวนสิทธิ์ของเราจะไม่พูดในเรื่องนั้นผมไม่ขอพูดในเรื่องนี้เข้าพเจ้าไม่ขอพูดในเรื่องนี้อันนั้นเป็นเรื่องของเรา เพราะนั้นถ้าเาว่าเราพูดก็ต้องพูดตามความเป็นจริงอย่างไรที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเพื่อนมนุษย์ชาติต่อวงการต่อประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้คือศินแต่ถ้าเขาแบบผู้ใดก็ตามชอบโกหกไม่พูดตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบอกไว้ว่าผู้ใดก็ตามโกหกทั้งที่รู้รู้รู้รู้ว่าตัวเองโกหกแต่ก็พูดโกหก จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสัมมาเนนลองพิจารณาดูก็แล้วกันว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่พูดจะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีอันนี้คือพุทธภาสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้ว2อ0 0กว่าปี จากนั้นข้อที่หสุราเมระยะมชะประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทการดื่มสุราและเมลัยเป็นเงินของเราไปซื้อแต่มากินใส่ปากของเราเองไม่เห็นจะเดือดร้อนที่ตรงไหนถ้าเราคิดง่ายๆพูดง่ายๆอย่างนั้นมันก็ถูกแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วมันขาดสติมันขาดสติแล้วมันทําความชั่วได้หลายๆอย่างตั้งแต่ข้อที่หนึ่ง เมื่อดื่มสุลาเข้าไปแล้วขาดสติแล้วฆ่าคู่ฆ่าคนฆ่าพ่อฆ่าแม่ที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากๆก็พ่อสินข้อที่หนี่นะมันเกี่ยวโยงไปถึงข้อที่หนึ่งเมื่อดื่มสุลาเข้าไปขาดสติทำปานาติบาตฆ่าคู่ฆ่าคนฆ่าอะไรก็ได้ย้อมใจให้มันกล้าขึ้นให้มันหลงสติให้มันขาดสติให้มันกล้า อธีนาธานเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วไม่กล้าก็ต้องกล้ากล้าที่จะขโมยกล้าที่จะคดโกงกล้าที่จะทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกล้ามีสุมิชฌาจารเมื่อดื่มสุราเข้าไปแล้วเหมือนเมาเข้าไปแล้วไม่มีความละอายไม่มียางอายสามารถที่จะพูดอะไรก็ได้ละลาบละล้วงอะไรก็ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าขาดสติอันนี้ก็คือศิน ข้อที่หข้อที่ข้อที่4อีกมุสาถ้าคนดื่มสุราเข้าไปแล้วเรื่องโกโหกเป็นของธรรมดารับได้หมดถ้าเขาพูดยังไงรับหมดไอเพราะเหตุหอะไรเพราขาดจิติพอหายสางเมาขึ้นมาแล้วก็ผมไม่รู้เรื่องแหมโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉนั้นศินข้อที่5ข้อตัวที่หเนี่ยมันเกี่ยวโยงไปถึงข้อที่1ข้อที่2ข้อที่สข้อที่4ด้วยเพราะนั้น เมื่อหลวงพ่ออธิบายเรื่องศีลให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็คงจะพอเข้าใจว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรต่อตัวของเราเองต่อชุมชนประเทศชาติแต่ถึงอย่างไงก็ตามที่พระพุทธเจ้าว่าห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์นั่นหรศีลห้าเนี่ยแล้วจะห้ามคนได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็รู้ ท่านรู้แล้วว่าโลกมนุษย์ของเราเนี่ยคนดีกับคนชั่วนั้นคนดีเหมือนกับเขาวัวคนชั่วทั้งหลายเหมือนกับขนวัวนี่แต่เราจะเป็นเขาหรือจะเป็นขนแต่เราก็รู้แหละเพราะพระพุทธเจ้าพูดถูกการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ขโมยทรัพย์การไม่ประพฤติปิดในกามการไม่กล่าวมุสาการที่ไม่ดื่มสุรา พระพุทธเจ้าพูดถูกข้าพ เ, เจ้าเห็นด้วยอย่างหลวงพ่อเนี่ยเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปิดใกาไม่มุสาและไม่ดื่มสุราและก็มากกว่านั้นอีกพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระพุทธเจ้าพูดถูกเป็นธรรมเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจึงยอมรับพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพ เ, เจ้าจะไม่ทําอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านห้ามไว้แล้วเห็นด้วยถูกต้องเป็นธรรม เพราะนั้นก็คงจะมีหลายคนที่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าแต่ส่วนจำนวนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่ากันพอยังไม่เห็นด้วยแต่เมื่อไม่เห็นด้วยก็เอาทําไปก่อนจนกว่าที่จะเห็นโทษเมื่อไรเมื่อนั่นก็ค่อยรักษาศีลค่อยว่ากั น, นเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินคำอธิบายของหลวงพ่อได้ชี้แจงกระพาะ คงจะพอเข้าใจแล้วตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้นำในการสมาทานสินนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสมาสีลังวิโสถะเยาาาเอานั่งสบายๆนะที่นี่นะนั่งท่าสบายๆจะนั่งขัตสมาศก็ได้นัง่ง สมาธิฟังก็ได้นั่งพับเพียบก็ได้นั่งท่าสบายเออเอาไฟฉายทุกกระบอกให้นอนไว้นะให้นอนไว้เดี๋ยวพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวมันจะล้มป้องแป้ ง, ป ง, ปงนะแล้วก็จะถ่ายรูปก็ถ่ายได้นะแต่ขณะหลวงพ่อพูดให้งดไปก่อนนะถ่ายรูปนะจะถ่ายก็ <c oughs> ถ่ายก็ถ่ายได้ <c oughs> ถ่ายขณะนี้ถ่ายได้นะ แต่ขณะหลวงพ่อกำลังพูด ห, ห้ามถ่ายตอนนี้ไปหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังที่เห็นท่านเลขากับคณะมาหลวงพ่อกับภาคภูมิใจอย่างมากวันนี้วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่ง ที่ท่านเลขาสภาพัฒ์พร้อมกับคณะผู้ช่วยหรือท่านที่ร่วมงานทุกท่านรวมแล้ว50กว่าท่านและก็ทราบว่าทุกท่านผู้ที่ร่วมทำงานล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีมันสมอง เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศจากมหาวิทยาลัยต่างๆหลวงพ่อได้ดูชื่อแล้วเห็นแล้วก็ภาคภูมิใจอย่างมากอันนี้คือทรัพยากรอันยอดเยี่ยมของประเทศชาติเพราะฉะนั้นประเทศชาติจะไปได้ดีก็ต้องอาศัยลูกหลานเหล่านี้แหละที่เป็นทรัพยากรเพราะนั้นก่อนที่จะ เป็นทรัพยากรของชาติที่สมบูรณ์ได้ในหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้บอกกล่าวเอาไว้ท่านก็บอกว่ากล่าวเอาไว้ไว้ว่าเมื่อสองพันกว่าปีนะวิชาจารณะสัมปันโนวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤติวิชาคือความรู้รรรลูกหลานทั้งหลายที่ได้เรียนวิชาต่างๆหลายๆขแขนง ในมหาวิทยาลัยที่ได้เกียรตินิยมล้วนแล้วจะเป็นความรู้ความฉลาดความสามารถของพวกเราที่ว่าเป็นผู้เก่งกล้าสามารถตัวเป็นหัวก ะ, กะทิของประเทศชาติแต่ว่าเมื่อได้วิชาแล้วควรจะมีจรณะด้วยคือความประพฤติให้ไปพร้อมกันถ้าว่ามีแต่วิชาอย่างเดียว ในจาระณะคือความประพฤติไม่สมบูรณ์เหมือนกับมีดที่ไม่มีฝักมีดคมปริบแต่ว่าหาฝักไม่ได้ไม่มีฝักมีดเล่มนั้นไปทิ้งในสถานที่ใดจะจิ้มใครเล่นจะแทงใครจะฟันใครโดยที่ไม่ไม่มีจรณะคือความประพฤติก็ทําให้ชุมชนสังคมโลกทั้งโลกเดือดร้อนได้ง่ายๆเหมือนกัน เพราะนั้นควรจะมีจรณะคือความประพฤติคือมีฝักเอาไว้คือมีฝักนั่นคืออะไรจรณะคืออะไรใจเขาใจเรานะเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้พวกเราได้เข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติแนวทางของพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าววิชชาจรณะสัมปันโนวิชชาคือความรู้จรณะคือความประพฤติอันนี้ความเป็นมาของนิทานหรือว่านิ เป็นมาของในคำนี้พระพุทธเจ้าเสด็จไปกรุงกบิลพัทพอไปถึงห้องโถงใหญ่คือเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองเหมือนกับศูนย์สิลิกิตอย่างนั้นแหะเมื่อสร้างขึ้นมาเสร็จใหม่ๆพระเจ้ามหานามที่เป็นครองกรุงกบิลพัท ก, กรุงกบิลพัทก็คือกรุงที่พระพุทธเจ้าสมัยที่ท่านเป็นสิท ธ, ธะครองอยู่แต่เมื่อเสด็จออกไปบวชก็ให วงสกุลคือน้องน้องของท่านเชื้อน้องเหมกันเป็นผู้ครองเมืองต่อสร้างอาคารใหญ่ขึ้นมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงกรุงกบิ่ลพัดก็ทูลเชิญให้เสด็จประทับอยู่ที่ห้องโถงใหญ่นั้นกับพร้อมกับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงแล้วท่านก็เห็นว่ากษัตริย์ทั้งหลายเชื้อพวงศ์ทางหลายเข้ามาท่านก็ให้พระอานนท์ ที่เป็นพระอนุชาต่างเป็นเป็นเชื้อสายที่เป็นเชื้อน้องพระบิดาของพระพุทธเจ้ากับพระบิดาของพระอานุลสองพี่น้องกันท่านก็ให้พระอานนุ์ออกมารับแทนให้เป็นผู้กล่าวสัมโมนิยกถาต่อพระญาติพระวงศ์ของพระองค์พระอานุ์ก็ได้กล่าวขึ้นในที่ประชุมพระญาติพระวงศ์นั้นว่าคือในช่วงนั้นพระพุทธองค์ขอพักผ่อน เปลี่ยนอริยบทพักผ่อ์อยู่ในข้างในคือว่าอยู่ในม่านลักษณะอย่างนั้นม่านกลั้นอย่างนั้นพระอนลก็ออกมาพูดทางนอกแรงความคิดเห็นต่อพระญาติพระวง์ในบทหนึ่งพระอนุลกล่าวว่าวิชาเป็นที่ยอมรับของมนุษย์ทั้งหลายถ้ามีจรณะด้วยเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ถ้ามีแต่วิชาอย่างเดียวเป็นที่ยอมรับของมนุษย์แต่ถ้าว่ามีทั้งจารณะด้วยเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระพุทธองค์ได้รับทราบพระพุทธองค์ออกมาเมื่อบันทมเสร็จแล้วพระพรองค์เดินออกมาพาอดอนพูดถูกต้องอนนท์พูดถูกต้องคือยอมรับที่คำพูดเนี่เพราะนั้นวิชาคือความรู้จารณะคือความประพฤต พระพุทองค์ยอมรับตั้งแต่ยุคนั้นสมัยนั้นเพราะนั้นในยุคนี้สมัยนี้หลวงพ่อเองก็คิดว่าเป็นคำพูดหรือว่าเป็นการประพฤติธปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะนั้นพวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทั้งหลายที่อยู่ในสภาพัดได้เข้ามาศึกษาแนวทางการเป็นไปและการเป็นอยู่ของประเทศชาติ ควรจะเข้าไปทุกหมู่ทุกเหล่าทุกกลุ่มทุกคณะเพราะพวกเราจะต้องหาข้อมูลส่วนพระสงฆ์อย่างพี่พวกเราท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ก็เข้ามาสัมผสัสว่าพระสงฆ์ท่านอยู่ในป่าท่านอยู่อย่างไรท่านรักษาภูมิทัศน์อย่างไรท่านรักษาธรรมชาติอย่างไรและการเป็นอยู่ของท่านเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ควรจะเข้ามาศึกษาดูไทยถามอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้ แต่ในครั้งก่อนๆโบราณอาจารย์อย่างที่พระพุทธเจ้าประเสด็จประทับอยู่ที่กรุงราชาคฤห์อยู่วัดป่าเวลุเวลุวันวันหนึ่งพระเจ้าอาซาศาศสตรูลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารของกรุงราชาคฤห์ในวันเดือน6เพนวันนี้ก็เป็นวันเดือน 11, 11เไอเ็พนนะนะเดือน12 1 2องสิบขึ้น14ค่าวันนี้ วันพรุ่งนี้ก็ว่าเดือน12บสองเพนน์นี่ตรงตรงตามที่พระเจ้าอาซาตสตรูถามวันนั้นเป็นวันเดือนสิบสอเพนนพระจันทร์เต็มดวงคณะบริว า, อารอํามบาทผู้ใหญ่เข้ามาล้อมรอบขวันเดือนหกเพนเป็นวันนั ก, กษัตริย์เป็นวันที่รื่นเริงบันเทิงของคนในเมืองสมัยนั้นเขาไม่มีไฟฟ้าอย่างที่พวก เรามีทุกวันนี้เขามีอาศัยพระจันทร์เต็มดวงสว่างกระจางแจ้งไปหมดคนทางหลายก็ออกมาพวกอํามาศ ร, ราชเวกทั้งหลายก็มาห้อมร้อมพระเจ้าซาสตรูก็ถามอํามาศทั้งหลายว่าพระจันทร์เต็มดวงอย่างนี้พวกเราควรจะทําอย่างไรทีนี้อํามาศทั้งหลายก็นาน า, นาจิตตังนานาทัศนะนานาความคิดเห็นก็บางคนก็บอกว่า น่าจะไปกินเล่ า, เากินเลี้ยงอาหารสนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาบางคนก็ว่าน่าจะยกกองทัพไปตีเมืองนั้นเมืองนี้เมืองเล็กเมืองน้อยให้มาสวาพิพักให้ชัดเจนไปเลยเควรจะเป็นอย่างนั้นาบางคนก็ว่าน่าจะเข้า เ, าเลี้ยงดูปูเสือซึ่งกันและกันเพราะพวกประเทศของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขอยู่แล้ว วควรจะเลี่ยงกันให้สนุกสนานเพลิดเพลินเฮฮาแต่ในท่านถามหมอชีวกโกมรพัฒที่นั่งอยู่ในนั้นถามว่าอาจารย์หมอคุณหมอเป็นยังไงมีความเห็นยังไงหมอชีวกก็บอกว่ากระผมว่าอย่างอื่นพวกเราก็เคยทำมา น, นานแล้วพวกเราก็ควรจะเข้าไปกราบพระพุทธทเจ้าส ม, มณโคดม ไปไต่ถามในความคิดเห็นในทางทฤษฎีทางปฏิบัติความเป็นไปได้ของมนุษย์ชาติควรจะศึกษาในภาคปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาควรจะศึกษาดูว่ามีประโยชน์มีคุณค่าอย่างไรพระเจ้าอาซศ า, ศาตรูในใจก็คิดอยู่แล้วอยากจะกราบพระพุทธเจ้าเพราะว่าตัวเองก็ได้ทําปิตุคาตต่อพระบิดาแต่ยังเข้าหน้ากับพระพุทธเจ้าไม่ได้ พรตัวเองก็เป็นฝักฝ่ายของเทวทัตเหมือนันเถอะตอนนี้พอหมอชีวโกโก ม, มลพัตน์เสนอเท่านั้นพระเจ้าซาตตรูก็ยินยอมรับคําจะทํำยังไงให้หมอชีวโกโก ม, มลพัตน์เป็นผู้ดําเนินที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจากนั้นก็หมอชีวกก็ได้นําขบวนของพระเจ้าอซาตตรูเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าซาตุรูก็ได้ไปถาม ปัญหาสมมามัญญ้าผลเรื่องศีลสมาธิปัญญาความเป็นอยู่ความเป็นไปของมนุษย์ชาติเป็นยังไงพุทธองค์ก็ได้ตอบปัญหากับพระเจ้าอาชาติศัตรูในคืนนั้นเป็นที่เข้าใจพระเจ้าอาชาติศัตรูเลื่อมใสในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณ ะ, ะตั้งแต่บัดนั้นแต่ว่าถึงยังไงพระเจ้าอาชาติศัตรูท่านได้ทํากรรมไว้หนัก ท่านไม่เลยไม่ได้สําเร็จเป็นอริยะบุคคลเป็นแต่ว่าเป็นผู้นับถือเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจนับถือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองอันนี้ก็คือเป็นโมรานการส่วนหนึ่งเหมือนกันที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังนี้ก็เพราะไม่ใช่ว่าพวกเราจะรู้อย่างเดียวก็ควรจะเข้าไปซัดไ้ไลเลียงถามไถ่ถา ม, ถาถามสมณะชีพราหมณ์ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นอธิบายเรื่องศีลห้าให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังศีลห้านั้นมีคุณค่าอย่างไรแต่บางท่านอาจจะยังไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยได้ฟังว่าศีลห้านั้นมีคุณค่าอย่างไรปฏิบัติอย่างไรทําไมเขาจึงรักษาศีลห้าอย่างนี้เป็นต้นแต่พวกเมื่อพวกเราได้เข้ามาแล้วพวกเราก็ได้ยินได้ฟังว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้านี่มีคุณค่า อ, อ มีประโยชน์ต่อชุมชนสังคมประเทศชาติเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้หลวงพ่อว่าการที่จะเขียนแผนต่อไปหลวงพ่อได้อ่านที่ท่านเลขาท่านด็เตรถวายให้หลวงพ่อแต่ยังไม่ได้ลงพระประมาิไทยเป็นสำเนาหลวงพ่อได้อ่านดูแล้วเออซึ่งในคําพูดเป็นคําพูดที่เอ แต่ว่าเป็นภาษาของกฎหมายเป็นภาษาที่พูดสลับไปสลับมาเหมือนกับลูกโซ่นะนี่เกี่ยวเกาะกันฟังฟังดูแล้วก็ตรงพ่ออ่านดูแล้วก็เข้าใจเน้นหนักเรื่องการเป็นอยู่เรื่องมนุษย์ชะมากในคราวนี้แล้วกเ็เน้นหนักเรื่องคําที่ในหลวงตัดไว้ว่าเศรษฐกิจพอเพียง คำนี้เศรษฐกิจพอเพียงคำนี้ตีความหมายไว้หลายๆหลายๆคนคนก็ตีความหมายไปอย่างบางคนก็ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือให้งอมืองอเท้าไม่ให้กระตือรือร้นในการทํางานเท่าไหรก็เท่านั้นมีเท่าไหรก็กินเท่านั้นแต่ตามที่จริงไม่เป็นอย่างนั้นการที่ให้เศรษฐกิจพอเพียงอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงจนเกินไปอย่าทําอะไรจน ตัวเองจนจิบหายจนเกิดเศรษฐกิจล่มจมจิบหายขึ้นมาเพราะความโลภของตนเองให้รู้จักประมาณในการเป็นอยู่ให้รู้จักประมาณในการใช้สรุปแล้วก็คือให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้ไม่ใช่แหวนรู้ใช้อย่างเดียวไม่รู้จะหาอย่างไงไม่รู้จักเก็บอย่างไงถ้าหากว่าเรารู้จักหาและรู้จักเก็บให้รู้จักใช้ ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็หาพยายามหมั่นขยันหาให้ได้ให้ในใ น, ในทางที่ถูกต้องแต่ถ้าว่าเราขี้เกียจในการหาเออมันก็ไม่ถูกไม่ถูกตามหลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอุทธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นความขยันอรักคะสัมปทาถึงเพร้อถึงพร้อมด้วยการรักษา คือรักษาทรัพย์สมบัติรักษาหน้าที่ตำแหน่งรักษายศถาบรรดาศักดิ์ของตนเองอย่าให้เสื่อมเสียอย่าทำให้หลุดมือออกไปถ้าว่าพวกเราไม่รักษาให้ดีเมื่อได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ตำแหน่งแล้วไปกินเหล้าเมายาซะอันนั้นแปลว่าเป็นผู้ไม่รักษาเพอเพอกโดนเจ้านายตาหนิโดนเจ้านายหรือว่าเขาไล่ออกหรือว่าเขาให้ออก อันนี้แปลว่าขาดการรักษาเพราะฉนั้นอุทานะสัมปทาถึงพร้อมโดยความหมันอรคะสัมปทาถึงพร้อมโดยการรักษาคือรักษาทรัพย์สมบัติรักษาหน้าที่การงานรักษาตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เอาไว้ให้เป็นธรรมสามกัญญาณมิตรให้คบเพื่อนที่ดีงามการครบหมู่คบเพื่อนก็ให้ดูว่าคนนี้เป็นคนดีไหมพาไปเที่ยวชุรานารีอย่างไรไหมอย่างเนี้ย อันนี้ท่านก็ให้ดูกระยาธรมิตตาสัมมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบอย่าหลอกลวงอย่าป้นอย่าจี้อย่าอย่าลักอย่าขโมยเข้ามาเลี้ยงชีวิตของเราอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนให้พวกเราพุทธบริษัททุกทุกท่านให้เป็นคนดีให้มีความหมั่นความขยันอดทนใ น, ในการทำมาหาเลี้ยงชีพ การอยู่ร่วมกันถ้าจะว่าไปการมีกลุ่มมีหมูมีคณะถ้าจะว่าไปแล้วในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้เน้นเรื่องหัวหน้าให้เน้นเรื่องคนคนเนเป็นเจ้าของของทรัพยากรของของโลกของประเทศถ้าว่าคนไม่ดีช่อย่างเดียวทรัพยากรนั้นถึงจะมีมากเหลือคนา ก็คนนั่นแหละจะเป็นผู้ทำลายจะเป็นผู้สังหารสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพระุทธเจ้าเนี่ยท่านเน้นหนักเรื่องคนคนก็คือใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเยันทานยกขึ้นมาเลยว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามโนมายทาทำทั้งหลายเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจแค่ว่าเป็นหัวหน้า เน้นหัวหน้าคือเน้นใจถ้าหาว่าใจของเราได้รับการอบรมได้รับการสั่งสอนมาด้วยดีและการจะพูดออกไปก็เป็นคนดีจะทําสิ่งใดออกไปก็เป็นคนดีเพราะใจของเราได้ศึกษาดีแล้วว่าอันนั้นผิดนะอันนี้ไม่ถูกนะอันนั้นควรนะอันนั้นสูงนะอันนี้ต่านะอันนี้ไม่เหมาะสมนะอย่างเนี้ยเมื่อเราได้ศึกษาแล้วก็ไตรตรองด้วยเหตุด้วยผลว่าสิ่งนั้น ควรกระทําสิ่งใดควรจะประพฤติปฏิบัติทําอย่างไรอันนี้เมื่อได้รับการศึกษาดีแล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมการอยู่ร่วมกันถ้าจะว่าไปการอยู่ร่วมกันมันเหมือนกับศาลาหลังนี้มีหลังคามีคือมีแปรมีจันทัน มีคือมีเสามีพื้นมันอาศัยกันอยู่แต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามสําคัญว่าสําคัญตนผิดว่าข้าบุกเป็นบุคคลสําคัญที่สุดในศาลาหลังนี้จะมวาวเอาข้าเป็นกระเบื้องข้าสําคัญกว่าเพื่อนถ้าว่าแปรออกซะเออข้าวเนี่ออกซะกระเบื้องก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าเอาข้าวเนี่แหละข้าเนี่แหละสําคัญ จันทรนถอดออกมาซะข้าวหรือแปรนันก็อยู่ไม่ได้อีกจันทรนก็บอกข้าเลยล่ะสำคัญออกไก่กับคานคอเสา อ, ออกซะแปรนันก็อยู่ไม่ได้สรุปแล้วก็คือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอันรี้ว่ามวลมนุษย์ประเทศชาติที่จะอยู่ได้ก็ดองต้องอาศัยมวลรวมเพราะนั้นลูกหลานที่ได้มา วัดหลวงพ่อในวันนี้เมื่อเราจะเขียนแผนต่อไปหรือขินเขียนแผนที่สิบอหลวงพ่อคิดว่าพวกเราให้มองดูมนุษย์ให้มีความจําเป็นตั้งแต่ต่ำจนสูงสุดสูงสุดก็เป็นสิ่งที่เคารพพวกเราก็ยกเทิดทูลบูชาส่วนคนต่ําเราก็พยายามจะให้เขาเกิดประโยชน์อย่างไรอย่างอาวัยวะของพวกเรา ตั้งแต่หัวจนจดเท้าถ้าว่าทุกส่วนของร่างกายมีความจำเป็นด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าตาเนี่ยแหละถ้าาว่าตาบอดแล้วมองไม่เห็นแล้วส่วนอื่นก็แย่ตาเนี่แหละสำคัญถ้าเอาตาออกไปแล้วออแล้วเป็นยังไงตาก็อยู่ไม่ได้อีกเหมือนกันหูก็สำคัญจมูกก็สำคัญลิ้นก็สำคัญ ผิวหนังก็สําคัญแข้งขาตีนมือสําคัญโดยการทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะเขียนแผนต่อไปให้พวกเราเอาภาพรวมมาพูดกันพี่น้องประชาชนชนนบทถึงยังไงเขาก็เป็นคนของชาติถ้าว่าเกิดวิกฤตประเทศชาติบ้านเมืองปันป่นป่วนศึกสงครามเข้ามาพี่น้องประชาชนในช น, นบทนั่นแหละจะเป็นผู้ต่อต้านเป็นผู้ต่อสู้ส่วนหนึ่ง อันนี้ก็คือเป็นรั้วของชาติส่วนหนึ่งที่เขาเป็นคนทุกข์จนจากนั้นคนในเมืองก็เป็นผู้มีหัวเป็นผู้การศึกษาดีก็ช่วยเหลือประเทศชาติอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกหมู่ทุกเหล่าทุกกลุ่มทุกคณะคนในชาติมีคุณค่าทั้งหมดเป็นทรัพยากรของชาติเพราะฉะนั้นอย่าไปถือว่าข้าไปเจ้าเป็นลูกทหารทหารธนัดีที่สุดข้าไปเจ้าเป็นตำรวจลูก เป็นลูกตำรวจตำรวจเท่านั้นดีที่สุดค่าไปเจ้าเป็นลูกพ่อค้าการค้าขายเท่านั้น่ะดีที่สุดอย่าไปคิดอย่างนั้นหลวงพ่อว่าคิดอย่างนั้นแปลว่ามันถือกลุ่มถือหมู่ถือคณะควรจะยึดเราเป็นศูนย์กลางเป็นส่วนกลางของของชาติการที่จะเขียนออกไปควรจะมองให้ทั่วถึงกันทั้งหมดไม่รู้ว่อยู่ในกลุ่มไหนชาติชั้นวรรณะไหนกลุ่มไหน ให้เขียนเป็นภาพรวมออกมาแล้วจากนั้นก็วางแผนในการเป็นอยู่ต้องเน้นหนักเรื่องทรัพยากรของมนุษย์เนี่ยเป็นอันดับแรกถ้าว่ามนุษย์ของเราดีแล้วสิ่งเราอื่นมันก็ดีไปด้วยถ้าว่ามนุษย์ของเราทำให้เสียหายแล้วถึงเราจะสร้างหอปราสาทขึ้นมาอย่างศาลาหลังนี้นะเออจะมุงด้วยทองคาเออติดเพชรนินจินดาแต่คนที่อยู่ในศ า, าลานี้ ขาดคุณภาพขาดคุณธรรมขาดศีลธรร ม, รรมกินเหล้าเมายา อ, อไปหมดอีกสักวันหนึ่งมันไม่มีอันจะกินมันก็ต้องปลดขึ้นไปลื้อหลังคากระเบื้องที่เป็นทองคาเอาไปขายกินทีลนิตเทีลหน่อยผลที่สุดบ้านหลังนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งหมดสําหรับคนในบ้านนั้นไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมเพราะนั้น การที่จะพัฒนาประเทศชาติไปได้หรือการพัฒนาโลกไปได้หลวงพ่อว่าต้องเน้นเรื่องคนคนนี่แหละเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญอย่างยิ่งที่จะเดินไปภายภาคหน้าได้ที่จะเจริญรุ่งเรืองไปได้คนของเราจะทำยังไงจึงจะมีความรู้จึงจะมีความรับผิดชอบแต่ทุกวันนี้ที่หลวงพ่อดูดูแล้วคนในชาติของเรานี่ยที่ในสายตาของหลวงพ่อนะ โดยมากจะแบบสุกเอาเผากินให้ค่ายว่าความรับผิดชอบนี่รู้สึกว่าน้อยมากพอทำอะไรขึ้นมากโโมาโมา็โยนไปโยนมาโยนมาโยนไปผลที่สุดก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงทำให้เสียหายส่วนรวมเป็นเสียส่วนมากเพราะนั้นอยากจะให้พวกคณะที่เป็นหัวมันสมองของชาติอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นพวกเราเป็นหัวกะทิหรือว่าเป็นหัวมันสมองของชาติ หลวงพ่อขอมอบไว้ให้แก่พวกเราขอมอบความไว้วางใจให้แก่พวกเราให้เป็นผู้เขียนพัฒนาประเทศชาติไปในทางที่ถูกต้องและก็ให้เน้นหนักเรื่องมนุษยชาติให้ความรับผิดชอบนี่แหละทรัพยากรของมนุษย์มาก่อนแล้วก็เรื่องวัตถุอย่างอื่นค่อยตามมาหลวงพ่อว่านั่นละประเทศชาติของเราก็คงจะไปได้ราบรื่น สวยงามและก็สู้กับโลกของเขาได้แต่ทั้งนี้ทางนั้นเราต้องสู้ถอยไม่ได้มาถึงยุคนี้แล้วเราต้องมองให้ไกลงองให้รอบด้านการเสียเปียกมนุษย์ใช่ก็ยอมก็ยอมเสียแต่ว่าเราจะต้องเอาชนะมนุษย์ให้ได้ด้วยความดีของเราเราจะเอาอยัางไงเราจะทํำยังไง จะกระตุ้นประเทศชาติของเราให้เดินล้ำหน้าไปไม่ให้ล้าหลังเขาเคนในชาติของเราจะทํำยังไงจะสอนอยังไงจะให้มีความรับผิดชอบทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกคณะ เ, เรื่องการที่จะเบียดเบียนกันอย่างนั้นหลวงพ่อว่าให้ใช้จริยธรรมคือความประพฤติให้เห็นใจเขาใจเราสอนว่าเมื่อเราถูกลังแกอย่างนั้นเราพอใจไหม เมื่อเขามารังแกเราเราพอใจไหมเมื่อเราไม่พอใจเมื่อเราไปรังแกเขาเขาพอใจไหมเขาก็คงจะเช่นเดียวกันเพราะนั้นการกระทาสิ่งใดก็ตามเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราชอบดีเขาก็คงจะชอบอย่างที่เราชอบเพราะนั้นอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธ์ซึ่งกันและกันถ้าพวกเราใช้ศีลธรรมจริยธรรม นำหน้าอย่างนี้หลวงพ่อว่าโลกทั้งโลกก็จะประเทศชาติของเราก็คงจะเรียบร้อยราบรื่นไปได้ดีเหตเพราะนั้นขอฝากไว้กับลูกกับหลานทุกๆท่านและอีกอย่างหนึ่งในทางของพระพุทธศาสน า, าพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนว่าศีลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้พวกเราท่านตั้งหลายว่าศีลมีคุณค่าอย่างไรสำหรับคารวิคือศีลห้า และสมาธิพระพุทธเจ้าสอนทำยังไงสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจในร่างกายของพวกเราเนี่มีอยู่สองในร่างกายของเรามีสองอย่างอยู่ในเนี้ยรูปประธรรมกับ น, นามธรรมรูปประธรรมคือรูปร่างกลางตัวหัวถึงเท้าอันนี้คือว่ารูปประธรรมส่วนนามธรรมนั้นมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อคือถ้าจะว่าไปแล้วคือสมองหรือความคิด แต่ตหลักของพุทธศาสนาผู้รู้คือใจอันนั้นคืออนัตวนามธรรมแต่ในหลักวิทย า, าศาสตร์การแพทย์อะไรก็ตามคันว่าสมอง ừ, สมองเป็นผู้ค้นคิดแต่หลักของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมองน่นเป็นเครื่องใช้ของใจอีกทีหนึ่งสมองนั่นเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในหัวของเราแต่ว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์นั้นคือใจ มากดคอมพิวเตอร์ใช้อีกที่หนึ่งคอมพิวเตอร์ก็ทํางานในเมื่อใจออกไปจากร่างแล้วคอมพิวเตอร์ตัวนั้นไม่มีใครกดมันก็อยู่อย่างนั้นแต่เมื่อคอมพิวเตอร์มาใช้มันก็ทํางานแต่ทําไมพวกเราคอมพิวเตอร์ตัวนั้นมันจึงไม่เสมอกันบางตัวก็ฉลาดบางตัวก็โง่อันนี้ท่านบอกว่าเป็นเพราะกรัมในอดีตของเขาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า เกิดมาแล้วไม่ใช่เกิดชาติเดียวนะเกิดในอดีตชาติอดีตชาติมีท่านบอกว่าทำกรรมไม่ดีเอาไว้คนที่ชอบดื่มโซลาชอบที่ชอบในเดินของมืนเมาผลกรรมในอนาคตเขาจะเป็นคนโง่จะไม่ฉลาดถ้าว่าผู้ใดก็ตามชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนนั้นเกิดพบหน้าชาติหน้าชีวิตเขาจะสั้นถ้าว่าท่านผู้ใดก็ตามถ้าชอบลังแก่สัตว์ลังตีต เบียดเบียนสัตว์เกิดพบหน้าชาติหน้าร่างกายของเขาจะทุบพลลภาพนะีอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ก็ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกในครั้งนั้นเขาก็คงจะสงสัยอย่างพวกเราสงสยยัยในยุคนี้สมัยนี้ตายแล้วต้องสูญตายแล้วไม่มีอะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านก็พิสูจน์ด้วยพระ อ, องค์เอง หนีจากเวียงจากวังไปอยู่บำเพ็ญอยู่ถึงหปีอยู่ในป่าลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดจนถึงวันสุดท้ายวันเดือนหกเพนอยู่ได้หกปีท่านนั่งขัดสมาธิอย่างพระประธานนั่งอยู่เดียวเนี้ยที่อยู่ต่อหน้าพวกเราขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดําลงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจิตพระองค์เข้าสู่ ความสงบจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดยานัศนะระลึกชาติผลหลังได้ปุเพในวาสานุสติญารละลึกชาติผลหลังได้เมื่อระลึกชาติของหลานาพุทธองค์พระโอษตายแล้วไม่สูญชาติที่แล้วมีชาติก่อนมีช า, นมชาติต่ อ, ตอไปมีถ้าหาว่ายังใจของเรายังมีเชื้อคื อ, คอกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ชาติหน้าก็ต้องมีอีกเหมือนกับวันพุ่งนี่มีไหมมรืนมีไหมปีหน้ามีไหม ถึงเรายังไม่เห็นเราก็ต้องบอกว่ามีเพราะเหตุไรเมื่อปีที่แล้วปีก่อนมันมีปีต่อไปก็ต้องมีปีก่อนปีที่หลังคือว่าอาดีตเดี๋ยวนี้ปัจจุบันที่เรานั่งอยู่เนี่ยวันพรุ่งนี้เป็นอนาคตนี่เรียกว่าอนาคตชาติปัจจุบันในชาติอดีตชาติเป็นมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วปุเพในวาสานสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลาย ถ้าอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนให้พวกเรานั่งสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าพานั่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าพาพิสูจน์มาแล้วเพราะฉนั้นถ้าว่าพวกเราคิดเตาออนเฉยโดยที่ไม่ได้พิสูจน์เหมือนกับว่าไฟฟ้านะ่ยไม่เห็นจะร้อนที่ตรงไหนมีแต่เป็นเส้นลวดเฉยเอ้ยมันอยู่นังนั้นไม่มีเห็นมันไฟลุกเป็นเปลวอะไร แต่เราพอไปจับเข้าไปมันก็จะเตะตึ้มเขาลักแล้ทันทีเหมือนกันเพราะอะไรมันช็อตเข้ามา อ, อ่อันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าว่าเราพิสูจน์เราไปจับเข้าไปเราจะรู้ได้เพราะนั้นหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวหรือสอนเอาไว้พระพุทธเจ้าพิสูจน์มาแล้ว เ, เพราะนั้นสมาธิคือทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่ง ถึงเราจะไม่ถึงขนาดนั้นเราเมื่อฝึกดีแล้วใจของเราจะไม่ปุงฟงุ้งซ่านเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราฝึกหัดเอาไว้อยู่ธรรมดาเราฝึกหัดเรื่องสมาธิเวลาเราเดินออกกำลังกายตอนเช้าเราเดินจ็อกกิ้งวิ่งแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มีสติในการเดินเวลาเรามานั่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุโทโธพุโทโธหรือไม่พุทธโธก็ได้ รู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกให้มีสติในการกำหนดลมในเมื่อมีอุปสรรคนานับประการต่อไปภายภาคหนาพวกเราเจ้าประสบพบเจอแน่ในโล ก, กธรรม8ปดคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มันจะต้องผ่านเข้ามาในวิถีชีวิตของพวกเราเมื่อมนันผ่านเข้ามา ถ้าพวกเราไม่เคยฝึกใจเอาไว้พวกเราจะรับเต็มเป้าเลยเมื่อมีทุกพวกเราจะทุกขและทมหาที่จะอยู่หาที่จะยับยั้งไม่ได้เราจะทกอย่างมากแต่ถ้าว่าพวกเราฝึกขัดจิตใจเอาไว้เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นใจของเราจะวิ่งปุ๊บเข้ามาหลบในสมาธิดูจิตใจของเราจะหลบเข้ามาในสมาธิหาที่หลบ เ, เมื่อมีที่หลบเมื่อมัน ก็จะรู้แล้วปล่อยเอาวางออกไปแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ฝึกหัดสมาธิพวกเราจะเสียศูนย์ได้ไง่ายๆเหมือนกันนะเสียศูนย์ก็คืออะไรเข้าโรงพยาบาลสีธัญญามหาโภไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าว่าพวกเราไม่เตรียมพร้อมนะถ้าพวกเราได้ฝึกสมาธิฝึกแนวความคิดที่มีอารมณ์ที่พึงใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจเข้ามากระทบเราก็หลบเข้ามาสู่สมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ไม่พอใจนั่นะ แต่สิ่งที่พอใจเราก็ไม่เป็นไรเอบยิ้มรับได้แต่สิ่งที่ไม่พอใจนั่นนะ่ะแอบเสื่อมราบเสื่อมยศนินทาทุกเนะี่ยเข้ามากระนำเข้ามาพวกเราจะถ้าพนที่เคยฝึกสมาธิแล้วนั่นแหละพวกเราจะมีที่หลบที่หลีกในจิตใจของพวกเราอันนี้คือสมาธิควรจะฝึกเอาไว้ในชีวิตประจําวันของเรา ในเมื่อเราเท่าแก่ชรลานะพวกเราจะต้องเท่าแก่ชรลาแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแน่นอนต้องไหลไปทางนู้นเมื่อเท่าแก่ชรลาเราฝึกสมาธิดีแล้วจิตใจของเราจะไม่ว้าเวไม่อ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึม ซ, มซึมเศร้าเพราะเหตุไรเพราะเรารู้พิจารณาตามความเป็นจริงแล้วเพราะว่าร่างกายนีเป็นเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นนะอันนี้ก็คือสมาธิส่วนปัญญาพิจารณารอบรู้ในกองสังขาร ในกองสังขารก็คือในใจของพวกเราท่านทั้งหลายในหลักของพุทธศาสนาบอกว่าร่างกายของคนเราทุกคนเนี่ยจะต้องแตกสลายในที่สุดไม่เป็นอย่างอื่นคือดินน้ํำลมไฟธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟในร่างกายจะต้องแตกสลายไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉนั้นร่างกายนี้ถึงจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่ก็ไม่ถึงร้อยปีหมดสภาพอายุถึงขนาดนั้นแล้วอีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราจะต้องแตก ควรจะปล่อยวางคิดปล่อยวางในจิตใจเออร่างกายของเรานี่อีกสักวันหนึ่งต้องถึงจุดจบแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่พวกเราเกิดมาทุกคนเกิดมา เ, เขาเตรียมวีซ่ารอไว้แล้วเออคุณไปแล้วเหรออ่าเดี๋ยวพวกเราจะเตรียมวีซ่าไปให้เขาว่าอย่างงั้นนะอีกวันดีคืนดีเขาก็ส่งวีซ่ามาให้เราเราก็ได้รับวีซ่าก็เดินทางไปต่างประเทศเทุกคนต้องเดินทางกลับ ไปต่างประเทศด้วยกันเพราะนั้นก่อนที่จะถึงเดินทางกลับนั้นพวกเราได้เตรียมตัวอะไรไว้บ้างเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทันทั้งหลายจะต้องได้คิดไว้เหมือนกันเพราะพวกเราจะต้องเดินทางกลับไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งไม่ต้องสงสัยนะเรื่องเดินทางกลับเพราะนั้นร่างกายสังขารร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องเดินทางกลับประเทศต่างประเทศแน่นอน เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำให้ทำให้ดีที่สุดในขณะที่มีชีวิตอยู่สิ่งไหนไม่ดีอย่าคิดลิทำอย่าคิดทำในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทำสิ่งที่มันไม่ดีแล้วความไม่ดีนั้นจะเข้ามาสู่จิตใจของเราจะมาสู่วงสาคนายาติของเรามา ส, สู่ในวิถีชีวิตของพวกเราพวกเราจะได้รับแต่ความทุกความลาบากเพราะนั้นการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้รู้จักขุนงามความดีได้มาทำงานตรงนี้หลวงพ่อว่าเป็นมันสมองของชาตินะเป็นมันสมองของประเทศสมควรอย่างยิ่งพวกลูกหลานทั้งหลายน่าจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากหลวงพ่อว่านะน่าจะภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็ตั้งอกตั้งใจค้นคว้าให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าไปลิธทำอย่าไปลิคิดอย่าไปลิกระทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเมื่อทําไปแล้วมีแต่ความเดือดร้อนถ้าว่าประเทศหายยนะไปแล้วพวกเราจะหัวเราะแฮ่แ ห, แห่ทั้งวันจะได้เหรอหพวกเราจะต้องทุกกับประเทศชาติแต่ถ้าว่าประเทศชาติของเราจเจริญรุ่งเรืองทุกคู่ทุกคนคนในชาติลืมตาอ้าปากได้ เท่ากับอารยะประเทศเขาพวกเราก็น่าจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากขนาดหลวงพ่อที่อยู่ในป่าโรงโพงพายอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้นิ่งดูดายในการสงฆ์ข้ออนุข้อโลกอย่างเมื่อวานนะกันะซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลสร้างโรงเรียนไม่รู้ว่ากี่โรงเหมือนกันอทั้งวัดว า, าศาสนาทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาลเครื่องมือแพทย์อเดี๋ยวนี้ก็เนี่ยสงอาพาธหลวงพ่อก็ได้คิดช่วยเหมือนกัน ไม่ได้นิ่งดูได้เพราะเหตุไรก็เพราะว่าหลวงพ่อเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยควรจะช่วยเหลือประเทศชาติอย่างไรได้บ้างส่วนตัวหลวงพ่อก็มาในรถ ล, ลักเป็นพระทุโงเป็นพระป่าท่าอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญทานศีลภาวนาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งจิตตภาวนาสําหรับพระทุโงกรรมฐานพระป่าแต่พร้อมกันถ้ามีอตัตเลกลาบเกิดขึ้นหลวงพ่อก็ได้ช่วยโลกอย่างเห็นอยู่ป้อมตํารวจอยู่หน้าวัดนึ่ง ทำยังไม่เสร็จหลวงพ่อก็ได้สร้างให้เขาและกั บ, บ้านพักสายตรวจหลวงพ่อได้สร้างให้เขาโรงเรียนที่นาคำน้อยอำเภอน้ําสมเสียงคงเสียงคารที่ไหนต่อที่ไหนหลวงพ่อสร้างเข้าไปเป็น10บๆหลังแล้วมังงั้นจะตุปปัจจัยที่ได้มาโดยเป็นธรรมหลวงพ่อก็ได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ทั้งโรงพยาบาลก็ได้ช่วยเครื่องมือแพทย์ เพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ได้นิ่งดูดายเหมือนกันเพราะเห็นว่าหลวงพ่อเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยสิ่งไหนพอที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมได้ก็ช่วยเหลือไปและก็พร้อมการก็ไม่ได้ลดละในทางประพฤติปฏิบัติของเราถือว่าเราอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อจะต้องลาโลกนี่แน่นอนไม่ต้องสงสัยจะฝากแต่คุณงามความดีเอาไว้ให้โลกได้อยู่เย็นเป็นสุข เพราะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนก็คงจะคิดอย่างที่หลวงพ่อเหมือนกันคงจะฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินแผ่นดินไทยพราะเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าริธรรมอย่าริคิดอย่าริพูดถ้าพูดไปแล้วก็ทำไปแล้วคิดไปแล้วออกมาก็เป็นทางที่ไม่ดีเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูด สัมโมนยกถาให้แก่ลูกหลานได้ฟังเสียยืดยาวเพราะนั้นลูกหลานเขาคงจะพอจะจับประเด็นได้ว่าการเป็นอยู่การเน้นหนักเบื้องต้นหลวงพ่อได้พูดเรื่องศีลจากนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดเรื่องศีลธรรมจริยธรรมควรทําตัวอย่างไรพระพุทธเจ้าเน้นหนักอย่างไรเรื่องศีลธรรมจริยธรรมจากนั้นหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับมนุษย์ การที่จะพัฒนาประเทศชาติหรือพัฒนาโลกไปได้ต้องพัฒนาคนก่อนถ้าว่าคนเป็นคนดีแล้วทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปด้วยแต่ถ้าว่าคนไม่ดีสัอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะล่มจมจิบหายลงได้ง่ายๆเพราะนั้นโลกใบนี้มนุษย์เป็นเจ้าของมนุษย์เป็นหัวหน้ามนุษย์เป็นเจ้าของสมบัติในสิ่งเหล่านั้นเพราะนั้นควรจะพัฒนาคน ของคนในชาติของเราให้รับผิดชอบให้มีความรู้และไก็ให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองเอประเทศชาติของเราก็คงจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขการกล่าวสมมูลนิยมคถาในวันนี้กอเห็นว่าพอสมควรขอจบเพียงเท่านี้พวกเราน่านาจะทดลองนั่งสมาธิดูว่าทำยังไงเพนั้นนั่งสมาธิเอาสัก สินาทีดีไหมนะเออเอานี่นะมองดูพระประธานนะั้นหลวงพ่อจะพานั่งเองนะคือวิธีการนั่งสมาธิตามแนวแถวของสายล้มปู่มันนะที่หลวงพ่อปฏิบัติทุกวันทุกวีทุกวันปฏิบัติโดยสม่ําเสมอมาเวลาเราจะนั่งสมาธิเราถ้าอยู่ในบ้านท่านเรามีห้องพระต้องหามุมสงบนะ มุมสงบคล้าว่าไม่ให้มีเสียงโทรทัศน์วิทยุเสียงคู่คนรบกวนมากจนเกินไปถ้าหามุมสงบได้เออข้าพเจ้าเลือเราจะภาวนาในช่วงนี้เราก็ดับอะไรซะดับกระทั่งโทรศัพท์ไว้ก่อนเพราะงั้นแต่เออเพราะมันมันมันมั น, ม, นมันเป็นสัญญามืันการโทรศัพท์บางทีมันอาจจะคิดแล้วก็ดับโทรศัพท์ไว้ซะคล้ายๆเอาไว้ซะก่อนออสัก20นาที30มนาที อ, อไม่เห็นจะมีอะไรฮ จากนั้นเราหาหมุมสงบเสร็จแล้วเราก็ไหว้พระก่อนอรหังสัมมาสัมปทโธสวาคาโตสุปฏิพโนเท่าที่เราจะไหว้ได้หรือว่ายอดพักกันที่เราได้ท่องได้เราก็สาธยายเมื่อสาธยายเสร็จแล้วเราก็นึกในใจว่าข้าพรเจ้าต้องการความสุขอย่างไดผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นพ่อแม่พี่น้องวงศาคณะญาติหรือผู้ร่วมทํางาน ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาคือในใจอันนี้คือแผ่เมตตาเป็นภาษาใจในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควร